สำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรมรมฐานแล้ว <c oughs> วันนี้ก็อยาขอขึ้นแม่กรมรมฐานอีกหมดหนึ่งตอนที่จบไปเป็นเรื่องของอานาปานุสติกรมรมฐานความจริงอานาปานุสติกรมรมฐานเป็นบาตรตน แต่ได้ ว, ว่ามาตอนท้ายก็เป็นรูปผสมเพื่อจใจท่า น, นหลายได้รับทราบว่าการพอใจในการจริงพระกรมมฐานกองใดกองหนึ่งในส0สิบกองเบื้องตน้นแล้วก็สามารถจะทำตนให้เข้าถึงเสืผผ่อมพลิพานคือเป็นอารหัตผลได้ทุกจุดโดยไม่ต้องวิ่งไปหายอย่างนนหายอย่างนี้ สำหรับวันนี้ความจริงก็ควรจะเป็นเรื่องของพุทธานุสติกรรมฐานอย่างเดียวแต่ด้วว่าผมเห็นว่าถ้าทำอย่างนั้นมันก็เป็นนโยบายการซื้อการขายเสียงกันเท่านั้นเองการแนะนำในการจเจริญเพื่อกรรมฐานไม่มีความมุ่งหมายในความร่ำรวย มีความต้องการอย่างเดียวคือว่าจะให้คนผู้รับฟังสูญเสียทรัพย์สินให้น้อยที่สุดที่เพียงน้อยได้แต่หากว่าไม่มีความจำเป็นถ้าผมมีทรัพย์พอผมจะทำแจกฟรีทั้งหมดก็ราเห็นว่าพระธรรมคำสองสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ควรจะเสียเงินเสียทอง แต่ ว, ว่านี่จะต้องเสียเพราะต้องใช้สตังซื้อคัดเศษและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆยิงได้ให้เสียเงินคัดเศษและอัตราน้อยที่สุดะเลงเขาขายคัดเศษที่สามสิบห้าบาทแต่ว่าธรรมะของเราเพียงคัดเศษที่ยี่สิบห้าบาทฮิตเรียแล้วไม่ขาดทนก็บุญตัว เป็นอันว่าการให้ทาเป็นทานพระพุทธเจ้ากล่าวว่ายอบชนะทานทั้งหมดวันนี้ก็อยากขอเอาพระธรรมคำส อ, สอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตในด้านพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติศีลานุสติอุปสมานุสติรวมห้าอนุสติด้วยกัน มาชี้แจงกพระท่านทั้งหลายเพื่อมีความเข้าใจในการเจริญพระกรรมฐานในตอนก่อนผมเคยพูดไปแล้วว่าเจริญพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งเราสามารถจะนำพระธรมกรรมฐานกองนั้นเป็นบาตรเข้าถึงอรหัตผลได้แต่ว่าอาศัยบุคคลผู้รับฟัง ไม่ฉลาดมีมากพูดแล้วพูดอีกเท่าไรก็ไม่เข้าใจที่มาเปลี่ยนกันใหม่ยาบจุดกันเลยว่าจุดไหนจะเป็นอาราหันต์ได้อย่างไงวันนี้ก็ขอใช้ลูกผสมนั่นก็คือพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังคานุสติกรรมฐาน สีลานุสติกรรมฐานอุปสมานุสติกรรมฐานถ้าทุกอย่างทั้งห้ารายการนี้ทรงตัวในจิตของท่านท่านก็จะได้เป็นพระเรียเจ้าขั้นพระโสดากับสศิีทาคามีในเบื้องตน้นนิวากันถึงเบื้องต้นเป็นอารหาันต์ง่ายๆ แต่ต่อไปการยิก้ากเข้าไปสู่ความเป็นพระ อ, อนาคามีอรหันต์เป็นของไม่ยากแต่ได้ว่าท่านนั้งหลายจงจะลืมอนาปานุสติกรมทานเสียถ้าหากว่าท่านลืมขึ้นต้นในอนาปานุสติกรมทานก็เหมือนกับท่านว่าเหมือนกับว่าท่านจะไปปลูกบ้านในอากาศ มันไม่มีจุดยืนไม่มีจุดตั้งอาณาปานุสติกรรมฐ า, านเหมือนกับแผ่นดินถ้าเป็นอาคารถ้าเป็นเรืออาณาปานุสติกรรมฐ า, านก็เหมือนกับน้ำถ้ายจต่อเรือเล็กต่อเรือใหญ่วิ่งไปตามกระแสน้ำจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามมีเครื่องยนต์หรือไม่มีเครื่องยนต์ก็ตามต้องมีน้ำเรือจึงจะวิ่งได้ ข้อนีอ้อบะมีอุปมายชั้นใดกรรมฐ า, าน ท, ทั้งหมดที่พูดมาแล้วจงอย่าทิ้งอานาปานุสติกรรมฐ า, านวันนี้ขอพูดพุทธานุสติกรรมฐ า, านก่อนบางทีก็จะบวกทั้งสามอย่างทั้งธงรรมานุสติกรมฐานกดีรรมฐานก็ดีสังข า, านุสติกกรรมฐ า, านก็ดี มีการปฏิบัติได้สองแบบแต่แบบที่อพิ่งสอนนี่มีความมุ่งหมายในขั้นสุขาวิปัสสโกเพราะว่าหลักสูตรอภิญญาหกวิชาสามปฏิชมิทายานมีอยู่แล้วนั่นเป็นกีฬาสมาธิเนื้อแท้จริงๆก็คือครุกสุขาวิปัสสโกนั่นเอง สำหรับพุทธานุสติกรรมฐานสัมมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานปฏิบัติได้สองในคือการพิจารณาใคร่ครวญถึงความดีของพระพุทธธรรมประสงน์นี้อย่างหนึ่งแต่ว่าการที่ใคร่ครวญ น, นี้จะทรงจิตอยู่ได้ในขั้นอุปจาระสมาธิหรือว่าปฐมฌานเป็นอย่างสูง แต่หากว่าจะใช้อารมณ์เพ่งก็สามารถจะสรงอารมณ์ได้ถึงฌานสี่ฉะนั้นขอนักปฏิบัติควรทำทั้งสองอย่างเวลาใดที่จิตของท่านตั้งใจเพื่อความสงบไม่อยากจะคิดก็จิตไปจับรูปพระพุทธรูปก็ดีนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดี พระธรรมกด็ดีหรือว่าพระอริยสงฆ์พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งกด็ดีที่เรามีความเคารพถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาว่าพุทโธถ้านึกถึงพระธรรมภาวนาว่าธรรมโมถ้านึกถึงพระสงฆ์ภาวนาว่าสังโฆทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้จงกว่าจิตจงเข้าถึงฌานสมาบัติ คือจิตนี้การทรงตัวแต่เท่าเวลาที่ท่านปฏิบัติก็จงอย่าบังคับจิตว่ามันจะถึงจุดนั้นจุดนี้จะถึงสมาธิระดับนั้นสมาธิระดับนี้คือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอปนามอสมาธิซึ่งเป็นชันด้วยชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสาม ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็พังด้วยกันทั้งหมดนะไม่มีทางจงตั้งใจไว้ว่าสมถภาวนาเป็นใบายเครื่องสงบใจอารมณ์สมาธิของเราจะถึงไหนก็ช่างเราพอใจอารมณ์สมาธิที่เราถึงในขณะนั้นต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์จิตเป็นสุข ถ้าหาว่าท่านไปกําหนดว่าวันนี้จะต้องเอาอย่างนั้นวันนี้จะต้องเอาอย่างนี้นั่นมันเป็นนิวรณ์เข้ามาครอบงำจิตคืออุทะจะ ก, ก็กวรจะถ้าอารมณ์ไม่สามารถจะถึงจุดนั้นได้จริงๆความกลุ้มมันก็เกิดแทนที่จะมีสุขอารมณ์สงบตามความมุ่งหมายของสมถะภาวนามันก็เลยกระายเป็นจิตล้านไป ขาดทนตอนนี้ต้องจำให้ดีวิธีที่จะดีที่สุดนั่นก็คือนั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเดินไปบินดำบากเดินไปทำงานหรือทำงานทำการอยู่ก็ดี เอาจิตจับกับคำภาวนาว่าพุทโธธมโมสังโฆไว้เป็นปกติอย่าให้อารมณ์คลาดจากอนุสติทั้งสามประการถ้าการก็ท่านทรงได้อย่างนี้แล้วก็ก็ทีว่าท่านเป็นผู้ทรงฌานผมได้เคยบอกัาแล้วว่าฌานนังแปลว่าการเพ่ง เ น, นือในหนึ่งท่าพูดเป็นภาษาไทยชานก็คืออารมณ์ชินชินอยู่ในคุณธรรมที่เราต้องการเรียกว่าชานในการที่อารมณ์ของท่านจะเข้าถึงเปบบสูนด า, ากับสกิทาคามีอารมณ์ที่จะรงตัวจริงๆก็แค่ปฐมฌานเท่านั้น เมื่ออารมณ์จิตถึงปฐมฌานแล้วท่านก็เป็นทศนาสงทาคาได้ขณะที่เราภาวนาว่าพุทโธธรรมโมสังโฆเราจะต้องมีรมณ์ชนะความเลวไว้เสมอจงอย่าคิดว่าจะยอมรับอารมณ์สั้นไปสู่อารมณ์ื่น ตั้งใจไว้ว่าช่วงเวลาเล็กน้อยถ้ามันทำไม่ได้ให้มันตายไปขันห้าท่านหลายไม่มีความหมายสำหรับเรามันเป็นปัจจัยของความทุกข์หรือว่าก่อนที่จะภาวนาก็พิจารณาเสียก่อนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณที่เราเรียกจมาร่างกาย อันประกอบไ้ด้เท่าสี่แบ่งแยกไวด้วยาการสามสิบสองมีวิญญาณธาตุคือจิตคขมาอาศัยอยู่มันเป็นธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำตั้งเป็นบ้านเรือนที่อาศัยของจิตชั่วคราวไม่ช้ามันก็พัง เราจะมาสนใจอะไรกับการพังของร่างกายือร่างกายที่มันจะพังมันมีการสุดโส ม, มันเป็นของไม่ดีถ้ามันดีจริงๆแล้วก็เราต้องไม่แก่เราต้องไม่เจ็บเราต้องไม่ตายตอนนี้สิ่งทั้งหลายเรานี่เราห้ามปลามันไม่ได้ก็สนแสดงว่ามันกับเราเป็นศัตรูกัน กิเลตันหาวปาทานมันหลอกให้เราเข้ามาสายกายที่เต็มในความโสโรครกไม่มีสภาวะทรงตัวกายเกิดเป็นเทวาดาคนดีเป็นพรหมคนดีเป็นมนุษย์คนดีไม่ใช่แดนความสุขแดนของความสุขจริงๆก็คือพระนิพพานการจะไปพระนิพพานเขาทำกันยังไง มองเห็นโทษของร่างกายของตนว่ามันสุขภรคไม่มีการท่งตัวมองเห็นร่างกายของบุคคลอื่นว่ามันมีสภาพสุขปรคไม่มีการสรงตัวในที่สุดก็สลายเหมือนกันเห็นวาตถูกาตุทั้งหลายทั้งหมดไม่เป็นเหตุไม่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขมันเป็นปัจจัยที่เราจะพึงอาศัยในชาติปัจจุบันแต่เทาว่าอาศัยอย่างร้อนร้อนไม่ใช่อาศัยแบบเย็น เรามีทรัพย์มีสินแล้วก็มีความร้อนใจอยู่เสมอมีเสื้อตัวเดียวมีกางเกงตัวเดียวเราก็ยุ่งกับเสื้อแล้วก็ยุ่งกับกางเกงจะหามันมันได้ต้องทําเงินทําทองด้วยความเหนืยยากใช้มันแล้วมันเก่าทุกวันมันสกปรกเราก็ต้องซักตากให้แห้งแล้วก็นํามาลี เื่อกางเกงเพยงตัวเดียวมันก็สร้างความยุ่งนี่ทรัพย์สินท่านหลายที่มีอยู่ไม่ใช่เป็นปันจจัยของความสุขเป็นปันจจัยของความทุกข์แล้วก็หันมันดูร่างกายของเราขอนอที่เราคิดว่ามันเป็นเรานี่เนื้อแท้จริงๆมันไม่ใช่เราเราคือจิตที่เข้ามาสิงสถิตในร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกโรกโสโครก มีความเสื่อมลงไปทุกวันมีการสลายตัวไปในที่สุดการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นของดีความเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ ด, ดีเรามาเกิดด้วยความโงที่ลหลงไหลฝ่าย ฝ, ฝันคำแนะนำของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรม จึงมีทุกไม่ทราบไม่ทราบเรื่อชีว่าร่างกายอย่างนี้เราจะไม่พึงปรารถนามันต่อไปตายแล้วคราวนี้ตายไปเลิกกันสำหรับร่างกายที่เต็มไีด้วยความโศกโรคสุขบรกไม่มีความจรังร่างยั่งยืนสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานเราจะไปนิพพานได้ทางไหน หนึ่งตัดราคะความรักตนร่างกายของบุคคลอื่นที่เต็มไปด้วยความสกปรกและเต็มไปด้วยความทุกข์เห็นร่างกายของชาวบ้านร่างกายของเรามันมีสภาพเหมือนกับสวมเดินได้เรื่การีสองตัดโลภะความโลภความทะเยอทะยานเพราะว่าคนรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านตายและแบกอะไรไปไม่ได้เลย ไตความโกรธความเพียรบาตรคิดจองล้างจองฝังกันถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัจจัยบันดาญความสุขเป็นปัจจัยบรรดาญความทุก์เริ่มโกรธอารมณ์ก็กลุ้มถ้าเราไปทำร้ายเขาเขาก็จะทํำร้ายเราบ้างเราจะฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราบ้างมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ไม่เมื่อเรามีศัตรู ถ้าเราจะคิดให้เขาตายมันก็ไม่อยากคนทั้งโลกจะเราจะแช่งให้ตายใช่ทั้งหมดก็ได้ไม่ต้องไปเรียนวาจากระทาศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเราแช่งเขาหรือเราไม่แช่งเขาก็ตายเราต้องการให้เขามีความทุกข์เราจะบันดาลหรือไม่บันดาลเขาก็มีความทุกข์ ทุกเพื่อความหิวความกระหายความป่วยไขย้ไม่สมบายการพัดพาดจากของรักของชอบใจทุกเพื่อร่ า, างกายคงตนจะต้องตายแล้วก็่าไปนั่งโกรธ ท, ทำอะไรเลิกโกรธเสียใครเ ะ, ะเร็วก็เชิญเร็วเชิญเร็วไปแตู่ดเดียวฉันไม่ยอมเร็วด้วย โมหะความหลงปลงลงไปว่าโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นของ่รังยั่งยืนสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแม้แต่อารมณ์ใจที่เราคิดมันก็ยังไม่ทรงตัวถ้าเราติดอยู่ในโลกกิวิสโยนทิ้งมันไปขึ้นชื่อว่าโลกจะเกาะใจของเราไม่ได้ เราเป็นว่าตัดโลภได้ตัดราคะได้ตัดโทสะได้ตัดโภหตได้ได้มากได้น้อยก็ช่างมันตัดมันทุกวันไม่ช้ามันก็หมดพวกเขาลูกใหญ่เราใช้ค้อนมีกำลังสักครึ่งตันไปนั่งทุกทุกวันเราไม่เลิกทุบในที่สุดพวกเขาเมื่อก็พังชั้นใดกิเลสทั้งหลายที่มีในใจก็เหมือนกัน นี่ถ้าบางเอินท่านจะไม่ภาวนาเลยท่านพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเท่าลงให้ใจเขาออกผมจะพอใจมากถ้าจะย้อนมาถามว่าทาไมถึงพอใจก็จะตอบได้ทันทีว่าท่านกำลังจะเป็นพระอระหันต์แล้วท่านจะย้อนมาภาวนาทำไม อารมณ์ที่พูดเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์ของพข้าระหรันเพราะว่าจิตใจของท่านทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วก็ท่านไม่ต้องไปนั่งคอยไปโซนดาสีทาคาณาคาสิ่งที่จะเข้ามาถึงท่านเร็วที่สุดก็คือความเป็นข้าระหรัจนจำไว้นนครับถ้าจิตมันอยากจะคิดเราคิดในมุมนี้ให้มาก ต่อมาก็หันมาพูดเกินถึงอนุสติทั้งสามว่าถ้าเราจะภาวนากาหนดรู้ลมหายใจเขาออกก็ภาวนาว่าพุโทโธหรือว่าธรรมโมหรือว่าสังโฆทรงอารมณ์จิตให้สบายได้ชานอะไรก็ช่างได้หรือไม่ได้ก็ช่าต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุขนี่จุดหนึ่ง โดยการอีศรงการพิจารณาถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเดี๋ยวทรงแนะนําความดีแฝงเองก ร, ระการเราจะนับจะเราจะประมาณไม่ได้แต่ว่าการปฏิบัติคราวนี้เราต้องการพระนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการเป็นพระโสดาบัน หรือว่าพราะสกิทาคามีก็ขอท่านหลายอยู่นี่กำลังวางอยู่ข้างตักของเรานี่การจเจริญเป็นกรรมฐานหมดนี้นะท่านเอ๋ยกำไรจริงๆเป็นกำไรมหาศาลถ้าชะลาดชั้นหน่อยเดียวผมให้โอกาสแก่ท่านเป็นหนึ่งเดือนเป็นอย่างช้า แต่ใครรักษารมใจเกินเดือนนี้ผมจะถือว่าเลวที่สุดมันเป็นบุคคลที่ที่สุดของความเลวแล้วก็จงยาวดีกันเลยเมื่อเลวขนาดนั้นก็จงจะหาความดีกล้วยสุกที่เขาปอกแล้ววางอยู่ใกล้ปากขางปากไปเส้นขนเดียว แต่ไม่สามารถจะกินได้เนี่ยมันก็จอมเลวแล้วผมไม่คดไม่คบคนเลวประเภทนั้นเะดีกันตรงไหนเอากันซะเลยวันนี้เป็นยังไงรอพระนิพพานคือเป็นมรสนดาสีทาคาเซนเลยเป็นยังไงได้หรือไม่ได้รอช่างผมจะพูดอีกหกนาที เป็นอาวัาจัยของเราก็ตั้งจิตว่าอนอโอนอโองค์สมเด็จพระจินนรสีที่บำเพ็ญบารมีมาทั้งเสียสงไขกับแสงกลับต้องการเรื่อสัต์คนสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์จุดที่จะบรรดายความสุขตัดอบายภูมิอันดับแรกก็คือความเป็นประโสดาบัน เราจะเป็นยังไงหนอะนูกดประสูตดามันถ้าคารวาัตคารวัตถ้าจะเป็นประสูตดามันก็มีจิตใจมั่นคงในสินห้าเป็นปกติหมายความว่าจิตรักสินห้าเป็นปกติไม่ยุ่งการมใดที่เข้ามาทําลายสินห้าเห็นไหมนิดเดียว สำหรับสมณเนต้องทรงสินสิบเป็นปกติสำหรับพระจะต้องมีสินสองรอยยี่สิบเจ็ดเป็นปกติยำได้ไหมอรบเป็นเล้ว่าตอนนี้สีนนี่มาจากไหนสีนนี่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่เรียกกันว่าพระวินัย เนื้อใครนำมาพระสงฆ์พระอริยสงฆ์มีพระมหากันสพเป็นต้นรวบรวมเข้ามาในสมัยปฐมสังคายนานี่พิจารณาที่เดียวรอดสามไตรตรอ่รอดรอดทั้งสามอนุสติทางพระพุทธธรรมประสงค์นี่ก็นั่งดูศีลการที่เราปฏิบัติศีลบริสุทธ เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขอย่างยิ่งอย่างสินห้าเราไม่อยากจะฆ่าเขาเราไม่อยากให้เขาฆ่าเราเราก็ไม่ฆ่าเขาแทนดีคิดร้ายต่อกันมีจิตรักแต่พํานาจพร ม, มหัรสี่คือไม่ตายเมื่อรักกันอารมณ์ก็มีความสุขการคิดฆ่ากันไม่มีผมพูดเยาะ การลักการขโมยของซึ่งกันแลกันก็เมืนกันไม่ได้เกิดประโยชน์ของที่ขโมย ม, มาไม่ได้สร้างให้เรามีความสุขตลอดชาติเรามีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือมีผ้าขาดนุ่งผ้าขาดมีผ้า ด, ดีนุ่งผ้า ด, ดีหมดเรื่องยืมกระตอบอยู่ติกเมื่อเกิดก็ไม่ก็แก่แล้วก็เจ็บมไม่ก็ตายเหมือนกันถ้าเยอที่ยานไปทําไม ก็เราเรารักของเขาเขาไม่รักคือเรารักเราขโมยของของเขาเราก็ไป็ศัตรูกับเขาเราจะหาความสุขไม่ได้ต่อไปอาทินากามเมสมิช้าจาย์เรื่องเล็กมันก็แค่นั้นแหละไอ้ผัวกันเมียกันมันก็แค่นั้นไม่มีใครสร้างความสุขมันสร้างแต่ความทุกข์ดังนั้นจะไปทาทําไม มูสาวาดเราต้องการความจริงจากคนอื่นก็พูดเรารักคนพูดจริงแต่เราพูดไม่จริงใครเขาจะรักเขาก็เกลียดน้ำหน้าก็ไป น, นั่นว่าเราก็ไม่พูดความไม่จริงเสียก็พูดคำจริงมันก็หมดเรื่องการดื่มสุราเมลัยดุใจของตนให้เป็นคนว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรเป็นอันว่าเทวาทรงสินห้าให้บริสุทธ คิดอย่างนี้ทบทวนไปไ ป, ไปมาๆ น, นี้ผมจะไม่ทิมบายรายละเอียดเพราะเรื่องมันง่ายๆของกล้วยๆพอเข้ามาจับสิ่งข้ตอตนนี้เขาเรียกว่ศีลานุสติกรรมธนันเมื่อจิตเราไม่งคงในคุณพระพุทธเจ้าไม่งคงในระธรรมไม่มงคงในประสงค์จิตโรงลงไปด้วยอาการของความจริงว่าโอหนอร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่จึงของเรา ว่าเดี้ยวมันก็พังว่าเดี๋ยวมันก็ตายไม่ได้เกิดประโยชน์มันไม่มีความจีรังย่างยืนอยาคบหาสมาคมกับมันต่อไปแต่ว่าการที่จะสลละมันได้จริงๆยากอยู่สักหน่อยในตอนต้นเขาออ ก, ก็เอาแสาพนิพาน์ไว้ก่อนเพื่ออารมณ์พนิพันธ์คือทรงไตรสนาคมดังสามประการรักในพระพุทธเจา้ารักในพระธรรมรักในพระอริยสงฆ์ คำว่ารักในที่นี้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยพระองค์บอกว่าถ้ารักฉันต้องการเป็นที่ให้ฉันเป็นอิพึงจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราก็รักษาศีลบริสุทธิ์เมื่อศีลส่งตัวอารมณ์รักพระพุทธเจ้ามีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าจะตายไปเสมอต่ออารมณ์อีกนิดเราจิตรักปณิพานเป็นอารมณ์ ถ้าจิตเขาบันดาท่านทั้งหลายทรงไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติท่านเองเขาเรียกกันว่าพระโสนดาบันหรือว่าพระสกิทาคามีสำหรับอารมณ์ประสาทโโสดาบันและสกิทาคามีอยากจะรู้รละเอียดก็จงหันไปดูอนาปาุสติกมาทาน พี่ว่าด้วยพระสูตดากับสกิทาคามียากหรือง่ายท่านยากไหมท่ามบอกว่ายากแล้วก็พระระเนนทั้งหลายสิ้นขาดไปหมดแล้วไม่มีความเป็นพระไม่มีความเป็นเนนเป็นสัตว์นรกไปหมดก็าปกติเราเป็นผู้รักษาสิ้นอยู่แล้ว แม้เราก็ประกาศตนไม่จะเป็นสาวะวโค้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถ้าเราลืมพระพุทธเจา้าลืมพระธรรมลืมพระสงฆ์มันก็เป็นเดรีร์ทีความดีที่เราจะพึงได้ก็คือเวจีมหานรกนี่มป็นของไม่อยากเป็นว่าจุดนี้ขอสรุปไว้ย่อๆเพียงแค่นี้จะไม่ธิบายมากเพราะมันเป็นของธรรมดา เป็นว่าสำหรับวันนี้มองลงเวลาเลยไปหนึ่งนาทีที่เวลาจะสาหรับพดคยี่สิบเก้านาทีก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านต่อไปนี้ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดลูลมหายใจเข้าหาใจออกจับอา ร, รมณ์พระโสดาศีธาคาตามที่กล่าวมาให้ได้จิตใจของท่านจะเข้าถึงสิ่งกระแสวิญญาณ แล้วว่าขอทุกท่านจงพยายามพิจรารณาบำภาวนาไว้เป็นปกติจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี